ญาติโยมไม่ต้องไปทํางานทําการเนื่องจากเป็นวันต่อเนื่องระหว่างวันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดคือวันที่ 12, สิสองสิงหาคงเพื่อให้เป็นการหยุดอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มหยุดมันจันทร์ที่ส1บนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งวันผู้ที่ มีใจบุญสุนทานก็จะถือว่าเป็นการกำไรบุญเพราะถ้าไม่มีวันหยุดในวันนี้ก็จะไม่ได้มาวัดกันจะไปต้องจะต้องไปทำงานทำการกันถ้ามีวันหยุดก็เลยมีโอกาสได้มาทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เรียกว่าเป็นการกำไรยบุญบุญนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกที่เราได้ผ่านทางร่างกายเป็นทรัพย์ชั่วคราวตายไป เราเอาทรัพย์ภายนอกไปไม่ได้ต่อให้มีเงินเป็นเบอร์ล้านแสนล้า น, น, านเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่บุญคือทรัพย์ภายในนี้เราเอาไปได้หมดทำมากเท่าไหร่ก็สามารถเอาไปได้เท่านั้นถ้าเรามีบุญเราก็จะไปเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณ เราก็จะได้เป็นเทพเป็นพระเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณที่ต้องคอยรอรับบุญที่ผู้มีชีวิตอยู่กระทงอุทิศไปให้อย่างวันนี้เวลาย่าโยง ทำบุญเสร็จแล้วเวลาพระสวดญาถาสัพพีญาโยงก็ปวดน้ำบุทิศบุญที่ได้ทำไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับการทำบุญตายไปก็มีโอกาสที่จะไปเป็นเปรต เรียกว่าเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเป็นขอทานในร่างทิพในกายทิพเพราะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญเวลาไปจึงไม่มีบุญซึ่งเป็นเหมือนกับทรัพย์ภายในติดตัวไปก็ไปแบบคนไม่มีเงินทองติดตัวไป อย่างญาติโยมถ้าวันไหนต้องออกจากบ้านโดยกระฐานหันเราไม่ได้เตรียมเงินเตรียมทองไว้เวลาไปก็ไปแบบขอทานเพราะไม่มีเงินทองติดตัวไปก็ต้องไปเล่ร่องขอทานจากคนที่เคยรู้จักกันดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วถ้าไม่มีบุญติดตัวไปแล้วตกอยู่ใน สถานภาพของขอทานก็ต้องมาคอยรอรับส่วนบุญเพื่อที่จะได้มีบุญไว้ยัง่งชีพไปวันๆหนึ่งเหมือนกับขอทานแต่ถ้าได้ทำบุญอย่างสม่าเสมอทำอย่างต่อเนื่องมีเวลาว่างมีโอกาสก็ทำก็จะ ไปอย่างเศรษฐีไปอย่างผู้ที่มีทรัพย์ไม่ต้องไปรอรับส่วนบุญของผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรออกจากวัด น, นี้เดินไปอาจจะโดนนดชนตายนดคว่มตายก็ได้ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะประมาท เราจะคิดว่าโอ้ยเรายังมีเวลาอีกเยอะตอนนี้ขอเอาเงินมาเที่ยวก่อนข อ, เ, อเงินมาซื้อของฟุ่มเฟยต่างๆก่อนข อ, เ, อเงินมากินมาดื่มมาเที่ยวมาเล่นก่อนถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่มีเงินมาทำบุญแล้วก็พอเกิดโอบัติเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา ต้องตายไปอย่างปัจจุบันทันด่วนก็จะไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีทรัพย์ติดตัวไปเหมือนพวกเราวันดีคืนดีเกิดน้ำท่วมไฟไหม้บ้านขึ้นมาต้องออกจากบ้านไปอย่างกะทันหันไม่มีสามารถที่จะหยิบอะไรติดตัวไปได้เลยเราก็จะไปแบบคนยากจนก็ต้องรอรับความเมตตาจากผู้อื่น อย่างที่เวลามีอุทุกข์กภัยมีกักขีภัยก็ต้องมีการช่วยเหลือส่งข้าวของอาหารของข่าวของแห้งเครื่องดื่มอะไรต่างๆไปช่วยเหลือคนที่ประสบกับภัยแต่ถ้าคนที่ไม่ประมาทเขาก็จะเตรียมที่เก็บของไว้ก่อนเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารบ้าง ถ้ามีเงินก็ไปซื้อที่ซื้อทางซื้อซื้ออะไรเป็นที่สำรองไว้พอบ้านอยู่ไม่ได้ก็ยังมีบ้านสำรองอยู่ได้มีที่หรือก็มีเงินไว้สำหรับไปเช่าบ้านอยู่ได้ไปเช่าโรงแรมอยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไม่ประมาทเพราะรู้ว่าอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มีใครจะไปกําหนดได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้หรือดีกว่านี้หรือเลวกว่านี้ไม่มีใครรู้คนฉลาดก็จะไม่ประมาทจะต้องคิดเผื่อเอาไว้ว่าพรุ่งนี้อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ แต่ถ้าเรามีอะไรเก็บไว้สำรองไว้ในที่ปลอดภัยพอเราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราก็ยังสามารถหาสิ่งต่างๆมาทดแทนได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าประมาทให้ล้ำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้คิดว่าชีวิตของเรานี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ มันจะขาดไปได้ตลอดเวลาไม่มีใครมารับประกันได้แม้แต่บริษัทประกันชีวิตก็ไม่สามารถประกันชีวิตเราได้สิ่งที่เขาประกันก็คือทรัพย์ที่เราจะสูญเสียไปรายได้ที่เราจะสูญเสียไปเพื่อผู้ที่ยังต้องพึ่งเราอยู่เกิดเวลาเราตายไป เขาจะได้มีทรัพย์มาคอยดูแลเขาต่อไปแทนเราได้แตบ่บริษัทประกันชีวิตนี้ความจริงไม่ได้ประกันชีวิตประกันผลประโยชน์ที่จะสูญเสียเกิดจากการเสียชีวิตคนเราไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าซื้อประกันแล้วจะปลอดภัยจะไม่ตายจะอยู่ไปจนแก่เท่า อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเนะเพราะบริษัทประกันชีวิตเขายังไม่สามารถประกันชีวิตของเขาได้เลยแล้วเขาจะไปประกันชีวิตของคนอื่นได้อย่างไรนะเขาประกันได้แต่ผลประโยชน์พวกเราก็เหมือนกันเราก็ต้องซื้อประกันผลประโยชน์ของของพวกเราเวลาเราตายไปเราจะได้รับผลประโยชน์ การทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการซื้อประกันชีวิตทุกครั้งที่เรามาทำบุญก็เป็นเหมือนกับมาจ่ายค่ากองมะทันจ่ายไปเรื่อยพอเราตายไปเราก็ไปรับผลประโยชน์จากการประกันชีวิตของเราได้ก็คือบุญนี้เองบุญนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราหลังจากที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้ว งั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันอยู่เรื่อยๆและบุญที่เราทำนี้ก็ไม่ใช่มีเพียงแต่การทำทานเท่านั้นบุญมีหลากหลายด้วยกันเช่นทานศีลภาวนาการอุทิศบุญการอนุโมทนาบุญการรับใช้ผู้อื่นการ มีความอ่อนน้ําถ่อมตนการฟังเทศฟังธรรมการแจกธรรมะเป็นธรรมทานและการมีความเห็นที่ถูกต้องอนี่คือบุญตา่ตางๆที่พวกเราควรที่จะทำกันเพราะถ้าเรามีครบทุกประการเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้เลย แต่ถ้าเรายังมีไม่ครบเราก็ยังจะไปถึงพระนิพพานไม่ได้เช่นถ้าเราทำทานรักษาสิงเราก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเราภาวนาสมะถะภาวนาได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นคงถ้าเราภาวนาถึงขั้นวิปัสสนาภาวนา จนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไปสู่อริยภูมิได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่พานวิพาได้ต้องมีวิปัสสนาต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้เองอย่างวันนี้เรามาวัดเราได้มาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญทำให้เราเกิดมีสัมมาทิฏฐิที่เป็นบุญอีกข้อหนึ่งถ้าเราไม่ฟังเทศเราก็จะไม่ได้ยินเรื่องบุญต่างๆเหล่านี้ เราก็จะไม่สนใจคิดที่จะทำบุญเราก็จะไม่ได้ยินเรื่องการเจริญมรณานนสติให้เราอย่าประมาทให้เราคิดพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือบุญที่เราจะได้รับ จากการมาฟังเทศฟังธรรมจะได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนส่วนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นหรือเราก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะบางทีเราฟังไปแล้วพอเราไม่ได้ฟังอีกสักระยะหนึ่ง เราก็จะลืมได้แต่ถ้าเรากลับมาฟังอยู่เรื่อยๆกลับมาฟังอยู่บ่อยๆฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะทำให้เราไม่ลืม mm hmm. พอเราไม่ลืมเราก็จะได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำกัน mm hmm. ก็คือหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทนอนใจอย่าลืมความตาย mm hmm. ความตายนี้เป็นความจริงและเป็นเพื่อนที่ดีของเราเพราะถ้าเรามีความตายอยู่ใกล้ตัวเราเราจะไม่ประมาทเราจะรีบทำบุญเราจะรีบทำสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแทนที่จะไปทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์แทนที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเรา เพราะเราไม่มีเพื่อนคอยเตือนเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีเพื่อนคือความตายคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ประมาทเราจะหาเวลาหาโอกาสมาทําบุญอยู่เรื่อยๆเช่นเราจะหมั่นทําทานเราจะหมั่นรักษาศีลเราจะหมั่นภาวนาฝึกทําใจให้สงบ ด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทธโธไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายเวลานั่งหลับตาใจก็จะรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้เป็นอุเบกขาเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายพอได้เห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีความขวนขวายที่จะพยายามทำให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะขวนขวายรักษาไม่ให้มันหายไปวิธีที่จะรักษาไม่ให้มันหายไปก็ต้อง เขาสู่ขั้นวิปัสนาภาวนาต้องเจริญสัมมาทิฏฐินั่นเองจเจริญความเห็นที่ถูกต้องอะไรคือความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเราต่อจิตใจต่อความสุขของพวกเรา แต่ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นกับตาลปัดเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะอยากได้พอเราได้มาเราก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องห้าเพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันจะเปลี่ยนไป มันจะไม่เป็นเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆมันจะเปลี่ยนจากดีไปเป็นไม่ดีมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดไปในที่สุดนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ เช่นสั่งให้มันดีไปตลอดนี้สั่งได้แต่มันไม่ฟังเราเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปได้แฟนมาสั่งให้รูปหลอ่อให้สวยไปเรื่อยๆทุกวันก็สั่งไม่ได้อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็หงอกผมก็ขาวผมก็ร่วงหนังก็เหี่ยวหรือต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไป ก็ต้องร้องห่มร้องอ้ายเสีย อ, อกเสียใจนี่คือสั ม, มาธิฏฐิที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาต้องคอยเตือนใจสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเสื่อมไปมันต้องหมดไปทุกข์เพราะว่าเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ถ้าเรารู้เราก็จะได้ไม่อยากได้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ตัวเปล่าๆจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็จะต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้หรือแม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันพอได้ร่างกายนี้มาก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บ เมื่อมันก็ต้องตายไปถ้ารู้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปเอามันดีกว่าถ้าตัดความอยากได้มันก็ไม่อยากได้ร่างกายพอไม่มีร่างกายก็สบายไม่ต้องมาทุกขกับร่างกายไม่ต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนอย่างที่พวกเรากําลังทุกกันอยู่ในขณะนี้ นั่นก็เพราะว่าพวกเราไม่มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เป็นสุขนั่นเองเราจึงต้องสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราและคิดอย่างนี้อยเรื่อยเราก็จะตัดความอยากต่างๆไปได้จนหมดไป พอไม่มีความอยากอยู่ในใจใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่แหละคือบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่มี เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้วิธีภาวนาเราจะไม่รู้วิธีสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าเราต้องรักษาสีเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำฐานแต่พอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้มีบุญมา ก, มากๆอยู่ภายในใจมีบุญจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีบุญอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัวกทั้งหลายท่านเป็นมหาเศรษฐีบุญกันท่านจึงไม่ต้องมาขอทานไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆเพราะใจท่านอิ่มแล้วพอแล้ว ไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรเพราะใจเต็มเปี่ยกไปด้วยบุญนี่ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามสร้างบุญกันให้มากๆสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องทำให้มันติดเป็นนิสัยเช่นการทำทานนี้ควรจะทำทุกวันถ้าไม่มีผู้มารับทานเช่นไม่มีพระมาบิณฑบาต ก็เอาเงินที่จะซื้อของใส่บานี้ใส่กระปุกเอาไว้ทําให้มันเป็นนิสัยทําทุกวันพอเวลาที่เราจะไปวัดไปทําบุญเราก็จะได้มีเงินไปทําบุญถ้าเราไม่ทําพอเวลาจะไปวัดก็บอกว่าไม่มีเงินเสียแล้วเพราะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นเสียหมดก็เลยเปลี่ยนใจมาวัดไม่ได้ อยากจะมาแต่มาไม่ได้เพราะไม่มีเงินมาซื้อข้าวซื้อของมาทำบุญดังนั้นเราต้องหัดทำบุญทำทานอยู่ทุกวันด้วยการใส่บาถ้ามีผ้าผ่านมาถ้าไม่มีก็เก็บเงินใส่ก็ปุกเอาไว้พอถึงเวลามาวัดก็จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเงินเรามีเงินเราจะได้มาวัดอย่างที่เรามากันในวันนี้ มาทำทานมาฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าเรามีเวลาเราอาจจะอยู่ค้างคืนปฏิบัติธรรมต่อไปก็ได้รักษาศีลไปด้วยศีลเราก็ต้องรักษาทุกวันถ้าเรามารักษาเฉพาะวันที่เรามาวัดเราอาจจะรักษาไม่ได้เพราะเราไม่เคยชินเราเคยทำแต่บาปพอต้องมาถือศีลเราก็จะรู้สึกมันอึดอัด ทำไม่ได้เราจึงต้องรักษาศีลทุกวันให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าไปก่อนพอเรามาอยู่วัดเราก็มารักษาศีลแปได้ถ้าเรารักษาศีลแปได้เราก็จะภาวนาได้เราภาวนาได้เราก็จะมีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นมหาเศรษฐีบุญได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้ นี่คือประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับกันจากการที่เราหมั่นมาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วในวันข้างหน้านี้เราจะต้องได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้เป็นกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นทางเดียวกันใครเดินทางนี้ถ้าเดินแล้วไม่หยุดทำบุญไม่หยุดไม่หย่อน รับรองได้ว่าจะต้องได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงอย่าประมาจจงให้มีเพื่อนที่ดีคอยมากสิบเตือนเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะตายเราควรที่จะรีบสร้างบุญสร้างกุศลกัน พราถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลพอถึงเวลาตายไปเราก็จะไปแบบขอทานไปแบบทุกข์ยากลาบากไม่ได้ไปอย่างเศรษฐีนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันกำไรบุญนี้ขอให้ท่านจงทำบุญอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้มาวัดก็ขอให้ทน พบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดบุญอยู่ที่กายวาจาใจของเราถ้าเราคิดจะทำบุญแล้วเราทำบุญเราก็ได้บุญแล้วแม้แต่ให้เงินกับขอทานก็ได้บุญให้อาหารกับสุนัขจรจัดก็ได้บุญนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรก็ได้บุญเพราะีเพราะรักษาศีลได้นั่นเอง ดังนั้นเราอย่ามองข้ามบุญไปจากกายวาจาใจของเราอย่าไปคิดว่าต้องไปที่วัดเพียงอย่งเดียวจริงอยู่ไปวัดจะได้บุญหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ขณะที่เราอยู่บ้านแต่ถ้าเราไปไม่ได้ก็ขอให้เรา ท, ทํที่ที่เราอยู่ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ทําได้ถึงแม้เราจะต้องไปทํางานในวันนี้เราก็ยังทําได้ ก่อนจะออกจากบ้านก็เอาเงินใส่ขระเปลกไว้แล้วก็รักษาศีลไปแต่ิะสติท่องพุทโธพุทโธไปในขณะที่เราทำงานเราก็จะได้ภาวนาไปในตัวด้วยดังนั้นขอให้เราจงอย่าประมาจจงระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้หมั่นทำบุญกัน เพื่อที่เราจะได้รับผลบุญคือการได้เป็นมาหาเศรษฐีบุญได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์กันต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็กันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย